บทที่94ทำความดีต้องฝืนใจพวกคนป่าลากลับไปแล้วท่านพระครูเตรียมออกเดินทางอีกครั้งรู้ว่าครั้งนี้คงลำบากยากเข็นกว่าครั้งอื่นๆเพราะต้องเดินขึ้นเขาสูงชันที่กั้นเขตแดนระหว่างไทยกับพมา่าท่านจัดการกู้กรดและก็เก็บเครื่องอัฐถบริการจากนั้นก็ออกเดินทาง บัดดลก็เกิดอาเพศขึ้นท้องฟ้ามืดมิดลงทันใดทั้งที่เป็นเวลาเช้าลมพายุพัดจัดและฝนก็กระนำลงมาอย่างรุนแรงราวฟ้ารั่วพระตูดงงวัยสสบห้าเปียกปอนเหมือนคนตกน้ำท่านรู้สึกหนาวหากก็มองไม่เห็นว่าจะไปหลบฝนณที่ใดนึกห่วงผู้คนป่าว่าจะมีที่กำบังกันหรือไม่ หากไม่มีพวกลูกเด็กเล็กแดงคงจะพากันหนาวเหน็บหรือถึงกับเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเขา่างมีชีวิตเต็มไปได้วยความลาบากยากแค้นต้องเผชนกับผองภัยรอบข้างไม่ว่าจะเป็นภายจากธรรมชาติภายจากสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ไข้ป่าซึ่งเป็นภัยที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ทว่าภัยอันใดก็ยังไม่ใหญ่หลวงเท่าภัยแห่งวัตสงสาร ท่านโชคดีที่พ้นจากภัยใหญ่หลวงนั้นแล้วแต่พวกเขาสียังไม่พ้นสมภารวัดป่ามะม่วงเดินขึ้นเขาด้วยความยากลำบากทางชันและลื่นมากท่านจงใช้สติทุกย่างก้าวค่อยๆเดินขึ้นอย่างระมัดระวังออกสงสัยว่าเหตุใดาอาจารย์ของท่านจึงห้ามไม่ให้ใช้คาถาย่นระยะทางฝนตกหนักและหนทางลื่นออกอย่างนี้ น่าจะอนุโลมให้ใช้กรถาได้อาจารย์ต้องการทดสอบบทเรียนอันใดแก่ท่านเนอหรือว่าจะแกล้งทรมานท่านเล่นคงไม่ใช่หรอกนะอาจารย์ของท่านเป็นพระอรหรันเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเรื่องที่จะแกล้งทรมานสิทธิเล่นเป็นไปไม่ได้แน่ท่านเดินไปประมาณสองชั่วโมงท่านก็ได้คำตอบ ฝนที่กระนำลงมาจนมืดฟ้ามัวดินนั้นทำให้กระแสน้ำที่ไหลหลากลงจากเขาสูงขณะที่น้ำไหลลงท่านก็สังเกตเห็นปลาฝูงหนึ่งกาลังว่ายทวนน้ำขึ้นมาบนเขาตัวที่ว่ายต่อไปไม่ไหวก็ถูกกระแสน้ำพัดลงสู่เบื้องต่ำส่วนที่ยังมีเรี่ยวแรงก็ว่ายทวนกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากนั้นต่อไปเป็นภาพที่ท่านรู้สึกประทับใจยิ่งนัก บัดนี้ท่านเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วว่าหลวงพ่อดำอาจารย์ของท่านต้องการให้สิทธิเรียนรู้จากของจริงเพื่อเก็บเกี่ยวสะสมประสบการณ์ไว้สั่งสอนสานุรสิทธ์ในเรื่องของความเพียรพยายามวันข้างหน้าท่านจะต้องทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่คือเผยแผ่พระศาสนาของพระศาสดาช่วยเหลือเวนายนิกรทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากหลวงน้ํา แห่งการเวียนไหวาตายเกิดพราะสาระแห่งการเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาอยู่ที่พระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของมหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกภาพฝูงปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ำไหลเชี่ยวทำให้ท่านนึกถึงหอยโขงตัวมเหือมา ที่ท่านเรียกมันว่าปูหอยเพราะมันใช้ปากต่างเท้าเดินทางไกลได้3มกิโลเมตรไปยังหนองหมออแกงปลากับหอยให้คติสอนใจในเรื่องทำความเพียรถ้าประศจากความเพียรเสียแล้วก็มีอาจล่วงพ้นจากความทุกข์ได้เลยอาจารย์ของท่านช่างเป็นผู้มองการไกลและมีอุบายวิธีในการสอนที่แยบยนต์นัก ความหนาวเย็นเพราะเปียกฝนบวกกับความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางขึ้นเขาที่สูงชันเมื่อเทียบกับประสบการณ์ทางปัญญาที่ท่านได้รับก็นับว่าคุ้มค่าที่สุดสมภารวัดป่ามะม่วงเดินอย่างมีสติเป็นเวลาหกชั่วโมงจึงมาถึงยอดเขาฝนตกตลอดเวลาไม่มีขาดเม็ดนับตั้งแต่ท่านออกเดินทางกระทั่งมาถึงจุดหมายหลวงพ่อดา อาจารย์ของท่านนั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่ที่แท่นหินสี่เหลี่ยมในถ้ำกว้างพอที่แสงสว่างส่องถึงแต่ฝนสา์เข้าไปไม่ถึงท่านรีบคลานเข้าไปกราบพร้อมกับรายงานว่าหลวงพ่อครับผมมาถึงแล้วครับฝนตกตลอดเวลาเล่นเอาผมเปียกปอนเป็นลูกแมวตกน้ำเลยจัดการกับร่างกายอบอุ่นเป็นลาดับแรกจากนั้น ก็ทำเครื่องนุ่งห่มให้แห้งมิฉะนั้นจะถูกปอดบวมเล่นงานอาจารย์สั่งก็ไฟผิงหรอกครับและจะหาเชื้อเพลิงที่ไหนในเมื่อฝนตกจนต้นไม้ใบหญ้าเปียกไปทั้งป่าอย่างนี้ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงใช้ใจของเธอนั่นแหละ ใจของเธอไม่เปียกไม่เจ๋หรืออย่าลืมสินมโมปุบพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจนำหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจใจของเธอได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกเมื่ออาจารย์แนะนำแนวทางจริงอย่างที่หลวงพ่อว่า ผมคงจะหนาวและเหนื่อยมากไปถึงได้คิดไม่ออกถ้าเชนั้นผมจะทำเตโชกสินเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นและทำเครื่องน่งห่มให้แห้งท่านเปลี่ยนมานั่งในท่าขัดบัลลังก์สำรวมจิตเจริญเตโชกสินบัดเดียวหนึ่งก็หายหนาวสบงจีบอและสังคติแห้งสนิทเหมือนปฏิหารเป็นอย่างไรบ้าง อาจารย์ถามทันทีที่สิทธิลืมตาสบายมากครับผมหายหนาแล้วและเครื่องนุ่งห่มก็ไม่เปียกไม่แฉะเหมือนเมื่อสักครู่ช่างน่าอาศัศจรรย์แท้จริงเรื่องของใจนั้นอศัศจรรย์สาหรับคนที่ฝึกส่วนคนที่ไม่เคยฝึกเขาจะไม่พบความอาศัศจรรย์เช่นนี้แล้วเขาก็ไม่เชื่อ อ, อีกด้วยเพราะเขาเป็นาธาตุของกาย สแสวงหาวัตถุมาปลนปเปลืกายติดอยู่กับความสะดวกสบายทางกายซึ่งเขาหลงผิดว่านั่นเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาซึ่งหากมองในแง่ปรมาไม่ว่ากายหรือใจต่างก็ปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้ดังมีพระพุทธว จ, จนะตรัสรับรองไว้ว่าสัพเพ ธ, ธรรมมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้ ความทุกของมนุษย์เกิดจากความยึดมั่นเช่นไปยึดมั่นว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราสร้างอัตราตัวตนขึ้นมาทั้งที่โดยปรมาทัตแล้วอัตราตัวตนที่พวกเขาพากันยึดติดถือมั่นนั้นหาได้มีไม่น่าเป็นห่วงนะห่วงอะไรเหรอครับห่วงเวนไนยนิกกรทั้งหลายนะสิว่าในวันข้างหน้าจะมีผู้โง่เรลาเบาปัญญา ไม่สามารถเข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แต่ตั้งตัวเป็นเกจิอาจารย์สอนในสิ่งที่ผิดบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคนพวกนี้ก็จะได้รับการยกย่องเชื่อถือมากกว่าคนที่รู้แจ้งเห็นจริงซสยอีกเป็นเรื่องธรรมดาครับหลวงพ่อคนโง่อย่อมมีมากกว่าคนฉลาดเหมือนที่ท่านอุปติสสะท่านตอบคำถามของ สยจชัยปริปาชกขนาดสมัยพุทธกาลคนโง่ยังมีมากกว่าคนฉลาดปัจจุบันเลยสมัยพุทธกาลมาตั้ง 2,500 กว่าปีคนโง่ก็ต้องมีมากขึ้นเป็นทวีคูณผมไม่แปลกใจหรอกครับถูกของเธอคนเราเกิดมาโง่หรือฉลาดก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เขาทำมาเหตุเนี้ยพระพุทธองค์จึงตรัสสอนไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกโ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราไปแก้กรรมเขาไม่ได้นอกจากจากว่าเขาจะแก้ด้วยตัวของเขาเองเราสามารถแก้กรรมได้หรอครับหลวงพ่อจะว่าแก้ได้ก็ไม่เชิงหรือว่าจะแก้ไม่ได้ก็ไม่ใช่กล่าวคือกรรมของเราแก้ไขไม่ได้เพราะได้ทำลงไปแล้วส่วนกรรมใหม่ซึ่งหมายถึงกรรมที่กำลังทาในปัจจุบันและกรรมที่ทาในอนาคต เราสามารถแก้ได้ด้วยการเจริญสติตามแนวสติปัฏฐานสี่ตรงนี้แหละที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหน้าที่ของเราก็คือต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้เขาเข้าใจให้ได้แต่ถ้าเขาไม่พยายามจะเข้าใจล่ะครับผมหมายถึงว่าเมื่อผมเพียรพยายามที่จะทำให้เขาเข้าใจแต่เขาไม่พยายามที่จะเข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้หลวงพ่อจะให้ผมทาอย่างไรครับ สิทธิ์อยากรู้คำตอบเราก็คงไม่ให้เธอทำอะไรนอกเสียจากจะบอกให้ปล่อยเข้าไปตามกรมเอาละเราควรจะยุติเรื่องนี้กันได้แล้วพูดเรื่องใหม่ดีกว่าตอนนี้เธอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเหตุใดเราจึงให้เธอขึ้นมาที่นี่โดยไม่ต้องใช้คาถายนระยะทางเข้าใจแล้วครับ หลวงพ่อต้องการให้ผมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางปัญญาถ้าใช้คาถาย่นระยะทางผมก็จะไม่ได้เห็นความเพียรพยายามของหมูมัดฉาภาพฝูงปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นมาบนยอดเขาทำให้ผมเกิดปัญญาเห็นแจ้งว่าการทำความดีต้องฝืนใจเหมือนปลาที่ว่ายทวนน้ำถูกแล้วปลาเป็นต้องว่ายทวนน้าปลาตายเท่านั้น จึงจะไหวาตามน้ำปลาตายมันไหวไม่ได้อยู่แล้วละครับหลวงพ่อสิทธิแย้งอย่างเกรงใจเป็นที่สุดเราหมายถึงว่าเมื่อมันจะไหวาตามน้ำก็เท่ากับมันตายแล้วเหมือนการทำความดีคนที่ทำความดีต้องฝืนใจคือต้องอดทนต่อความยากลำบากได้คนที่ไม่ฝืนใจทำความดีไม่ได้เหมือนกับคนที่ตายแล้ว ที่เราพูดมาเนี่ยมีความหมายมากนะเธอลองเอาไปคิดทบทวนดูจิตของคนเราก็เหมือนกับน้ำธรรมชาติของน้ำก็คือต้องไหลลงสู่ที่ตำ่ำจิตของเราก็เช่นกันชอบไหลไปสู่ความชั่วมัวอบบยามุขชอบหาความสุขในสังคมที่เลวร้ายแต่เขาไม่รู้ว่ากำลังทําชั่วต่อเมื่อกำชั่วมาให้ผลนั่นแหละ ถึงจะได้รู้แต่กว่าจะรู้ก็สายนะครับหลวงพ่อคนส่วนใหญ่มักจะรู้ตัวเมื่อสายส่วนผมโชคดีหน่อยที่รู้ตัวเมื่อเช้าคือยังไม่สายภิกษุวัย41บวก4เริ่มตีสำนวน ก็ชักจะมีแรงนะหลวงพ่อพูดทำเสียงเรียบหลวงพ่อครับแล้วปลาพวกนั้นมันจะตายไหมครับท่านพระครูปเปลี่ยนเรื่องถามได้ไม่รู้ว่าจะโต้อตอบอาจารย์ว่าไรถ้าตายมันก็ไม่หายใจถ้าไม่หายใจมันก็ตายคราวนี้อาจารย์ตีสำนวนบ้างแล้วหลวงพ่อคิดว่ามันจะหายใจไหมครับขึ้นมาบนเขาสูงออกอย่างเนี้ย มันคงหายใจไม่ออกเมื่อหายใจไม่ออกมันก็ต้องตายหลวงพ่อว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมครับสิทธิ์อยากรู้ไม่เป็นอย่างนั้นแน่เพราะบนนี้มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่มันก็จะไปใช้ชีวิตใหม่ที่ปลอดภัยจากน้ำมือมนุษย์ชีวิตของมันก็จะยืนยาวต่อไปอีกนานกว่าที่ควรจะเป็นขณะที่พระอริยเจ้าสองอ ง, องค์สนทนากัน ฝนยังตกหนักอยู่ตลอดเวลาไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแม้แต่น้อยหลวงพ่อครับฝนจะตกต่อไปอีกนานไหมครับสิทธามเจ็ดวันเจ็ดคืนจึงจะหยุดอาจารย์ตอบและหลวงพ่อกับผมจะเดินทางกันต่อไปหรือว่าจะรอให้ฝนหยุดก่อนครับสิทธามอีกต้องรอให้ฝนหยุดก่อนหมายความว่าหลวงพ่อกับผมจะต้องอยู่ในถ้ำนี้เจ็วันเจ็ดคืนอย่างนั้นหรอครับ ถูกแล้วเรากับเธอจะออกเดินทางกันที่ฝนหยุดตลอดเจดวันเจ็ดคืนที่ติดฝนอยู่ในถ้าเธอจะไม่ได้ชันข้าวแม้แต่เม็ดเดียวจะทนไหวไหมอาจารย์ทดสอบความอดทนของสิทธ์ไม่ชันข้าวแล้วจะมีก๋วยเตี๋ยวให้ฉันไหมครับถ้าได้ฉันก๋วยเตี๋ยวแทนข้าวก็คงพออยู่ได้สิทธ์ตั้งใจ ย, ยั่วอาจารย์เสียใจ ไม่มีทั้งข้าวและก๋วยเตี๋ยวขนมปังนมจีนก็ไม่มีมีแต่น้ำฝนเท่า น, นั้นที่เธอจะชันได้จะทนได้หรือไม่และหลวงพ่อล่ะครับจะทนได้หรือไม่สิทธิ์ถามกลับอย่าว่าแต่เจ็ดวันเลยสำหรับเราไม่ชันเจ็ดเดือนก็ยังอยู่ได้เราไม่ห่วงตัวเองห่วงแต่เธอนั่นแหละ เมื่อหลวงพ่ออยู่ได้ผมก็ต้องอยู่ได้เอาล่ะครับผมจะทนจนกว่าจะตายพูดอย่างปร่งตกแล้วหายใจเข้าไว้จะได้ไม่ตายอาจารย์ปลอบครับผมจะพยายามแต่หลวงพ่อต้องอยู่กับผมที่นี่นะครับอย่างน้อยก็ทำให้ผมอุ่นใจเราไม่ไปไหนแน่เพราะเราจากอธิษฐานจิตเข้านิโรธสมาบัติตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืน ถ้าเธอไม่อยากทรมานเพราะความหิวก็จงทำอย่างเราและควรทำอย่างยิ่งเพราะเมื่อเธอกลับไปที่วัดแล้วก็จะไม่มีโอกาสเข้านิโรธสมาบัติอีกลูกศิษย์ลูกหาจะมากวนเธอทั้งคืนทั้งวันจนไม่มีแม้แต่เวลาจะจำวัดผมจะดังขนาดนั้นเชียหรือครับหลวงพ่อจะไม่เกินหน้าเกินตาพวกดาราเข้าหรือครับ เธอจะยิ่งดังยิ่งกว่าดาราหลายเท่าแต่จะบอกอะไรให้ว่ายิ่งเธอดังมากขึ้นเท่าไรก็จะมีเวลาของตัวเองน้อยลงเท่านั้นเธอจะไม่มีแม้แต่เวลาจะผายลมขนาดนั้นเฉยเหรอครับไม่น่าเป็นไปได้ถ้าเธอไม่เชื่อเราพูดมาเธอก็จดเอาไว้หากไม่เป็นอย่างที่เราพูดเรายอมให้ปรับเอาละ ได้เวลาที่เราจะเข้านิโรธสมาบัติแล้วข อ, อยุติการสนทนาไว้เพียงเท่านี้พูดจบพิสุรัตนญยูจึงหลับตาลงและเข้านิโรธสมาบัติในบัตดนนั้นท่านพระครูเห็นเป็นโอกาสที่จะได้บำเพ็ญสมณธรรมสูงสุดเพราะต่อไปคงจะหาโอกาสเช่นนี้ไม่ได้อีกจึงอธิษฐานจิตเข้านิโรธสมาบัติเป็นเวลาเจวัน อธิฐานจิตแล้วก็จึงเจริญรูปฌานสี่ตั้งแต่ปฐมฌานไปจนถึงจตุตถฌานออกจากจตุตถฌานเข้าอารูปฌานสี่ตั้งแต่อากาสานัญจายตนะไปจนถึงเนว ส, สัญญาณาสัญญายตนะออกจากเนว ส, สัญญาณาสัญญายตนะแล้วจึงเข้าเนโรสมาบัตเมื่อเข้าเนโรสมาบัตวจีสังขารกายสังขาร และจิตสังขารก็ดับไปตามลำดับพิกษุนสองรูปเข้านิโรถสมาบัติอยู่ในถ้มตลอดเจดคืนเจวันลั้นครบกําหนดตามที่อธิษฐานจิตไว้ก่อนเข้าจึงออกจากนนโรถสมาบัติจิตสังขารกายสังขารและวจีสังขารเกิดตามลำดับแม้จะรู้สึกหิวเพราะไม่ได้ฉันอาหารมาตลอดเจวันหากจิตกลับปลอดโปรงผ่องใส ท่านพระครูค่อยๆลุกจากที่นั่งเดินไปยังที่อาจารย์นั่งคุกเข่าแล้วกราบเบญจางขาประดิษฐามครั้งเดียวต้องออกเดินทางกันเลยเธอไปส่งน้ำก่อนก็ได้จากปากถ้ำเดินเลี้ยวขวาไปสักสิบกว่าวาจะพบแอ่งน้ำจากนั้นจึงจะออกเดินทางกันพอพ้นเขาลูกนี้ก็จะไปถึงหมู่บ้านจันทคุก ซึ่งอยู่ในเขตพมา่ามีคนรอใส่บาทเธออยู่ขอบพระคุณครับผมจะใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีสิทธิ์กราบเรียนจากนั้นก็ลุกขึ้นเดินไปยังทิศทางที่อาจารย์บอกประเดี๋ยวหนึ่งก็พบแอ่งน้ำขนาดใหญ่น้ำใสแจ๋วจนมองเห็นปลาทุกตัวที่แหวกว่ายเล่นอย่างเริงร่าอยู่ในนั้นไงจำข้าได้หรือเปล่า ที่เดินตากฝนขึ้นมาพร้อมกับพวกเองเมื่อเจ็ดวันก่อนท่านทักทายฝูงปลาพวกมันพากันมองตาแป้วเรากับฟังรู้เรื่องข้าขออนุญาตอาบน้ำหน่อยนะพวกเองพากันว่ายอยู่ทางโน้นห้ามแอบดูละ่ะฝูงปลาพากันแหวกไหวออกไปเหมือนจะรู้ว่าพระกุณเจ้าจะสงน้ำ